นะนะเป็นยังไงตกลงสรุปแล้วเป็นยังไงอายตนะเหล่านี้ถ้าประชุมกันเป็นที่ตั้งแห่งโวหารว่าเป็นสัตว์เนี่ยนะแต่ขณะเดียวกันปุตุชนผู้ไม่ได้ทำปริญญาไม่กระจายสิ่งเหล่านี้ซะไม่มีการจำแนกก็เลยสำคัญโดยความหมายว่าเป็นสัตว์ถ้าสัตตสัญญาเหล่านี้เกิดขึ้นจะตามมาด้วยสัตสตถิถิและอุเฉตถิติ การจำแนกสิ่งเหล่านี้นะเพราะพระพุทธเจ้าเมื่อยังมีพระชนอยู่พระองค์ก็แจกให้เห็นในความไม่ใช่สัตว์แต่ธรรมะทั้งมวลเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสัพปิจตธรรมเป็นธรรมที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุและปัจจัยถ้าไม่มีเหตุมีปัจจัยธรรมเหล่านี้ก็เกิดไม่ได้ธรรมะเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในอดีตอนาคตและปัจจุบันล้วนแต่เป็นสิ่งที่เกิดจากปัจจัยเป็นสังคตธรรมธรรมเหล่านี้เป็นสังคตะธรรม เป็นธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งบางทีสิ่งเหล่านี้มันช่วยปรุงกันเองอ น, นะปรุงกันช่วยช่วยปรุงกันอันปรุงกันโดยอาศัยอดีตเหตุปรุงให้เกิดปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุก็ปรุงให้เกิดอนาคตผลก็เชื่อมโยงกันต่อไปการเชื่อมโยงลักษณะนี้ก็เป็นภายในภพสามเป็นไายในภพสามหรือท่าสามใช่ก า, มารมาทารูปประธาตและอรูประธาต ัการมาธาตุรูประธาตุรูประธาตุเมื่อกระจายออกมาแล้วก็มีแต่ธรรมะดังที่กล่าวไ ป, ป, เ, นไปเนี่ยนะรูปะธาตุเตี้ยจาแนกไปกามาธาตุเนี่ยนะอินทรีย์ทั้งหมดเนี่ยในในกลุ่มกามาธาตุเกิดได้หมดเลยแต่รูประธาตุถูกลดออกไปลดอะไรออกไปลดจมูกลิ้นและกายออกไปลดภาวะรูปออกไปเป็นต้นเนี่ยนะอรูประธาตุลดรูประขันออกไปทั้งหมดเหลือแต่จิญญาณขัน์ที่จํากัดในบางกลุ่ม เมื่อมีการจำแนกโดยกามาธาตุกามาธาตุอันใดอันนั้นแหละชื่อว่าการมาพบรูปประธาต์อันใดอันนั้นชื่อว่ารูปประพบอรูปประธาต์อันใดก็ชื่อว่าอรูปประพบเมื่อพื้นฐานสิ่งเหล่านี้คือขันธาตุอเยตนะกามาธาตุกามาพบเป็นต้นจะเที่ยงมาจากไหนดนั้นกามาธาตุกับกามาพบนี่คือกลุ่มเดียวกันส่วนสัญญาพบอสัญญาพบเนวะสัญญานาสัญญาพบนั้นก็เอาอะไรเป็นตัวตั้งเอาจิตเป็นตัวตั้ง สัญญากับจิตเนี่ยบางทีอธิบายในยะกลุ่มเดียวกันการมาการกามก า, มามพบเนี่ยเรียกว่าพูดโดยพบสัญญาพบอสัญญาพบเนวสัญญานาสัญญาพบันนี้เขรียกว่าพูดโดยจิตส่วนเอกโวจารุพบจตัวโการาพบปัญจโวการาพบพวกนี้กล่าวโดยขันนะกล่าวโดยโดยธาตุกล่าว โ, โ, โดยจิตและก็กล่าวโดยขัน ก็สิ่งเหล่านี้ก็ควรเอามาพิจารณาใคร่ครนนะถ้ากล่าว ก, กามมาพบรูปประพบอรูณประพบเนี่ยนะเท่ากับคติห้าวิญญาณทิตฐิเจ็ดสัตตาวาสเก้าชื่อว่ากล่าวแล้วเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะถามว่าเป็นธรรมที่ควรทําปริญญาทําปริญญาว่าอย่างไงทําปริญญาว่าสิ่งเหล่านี้ชาติธรรมโตเป็นสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดา ชราติชราธรรมโตเป็นธรรมที่มีความแก่เป็นธรรมดาเป็นปกติพยาธิธรรมโตเป็นเหตุแห่งความป่วยไข้และหรือตัวเขาเองมีความป่วยไข้เป็นปกติมรณะธรรมโตเป็นสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาขณะเดียวกันเป็นที่ตั้งแห่งโศกกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปายาเป็นปกติเป็นธรรมดาอีกนั่นแหละหรือเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลาย พิจารณาบ่อยๆก็จะเห็นว่านี่คือความเป็นไปในวัตตะวัตตะเนี่ยเมื่อกล่าวโดยสรุปรวบยอดไปแล้วก็มีแต่มีแต่สิ่งเหล่านี้จริงๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ถามว่าดีไหมดีไหมเนี่ยไม่ดียังไงไม่ดีเพราะไม่เที่ยงเป็นเหตุแห่งทุกข์แล้วก็ไม่มีผู้ใดมีอำนาจอะไรจริงๆส่วนผู้ที่อพิจารณาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะ ถพิจารณามากๆหรือผู้ที่อบรมสมถะมานเนี่ยก็จะได้ฌานใช่ไหมพราะฉานสี่ฌานสี่ก็ควรนามาทำปริญญาว่าฉานสี่ทั้งหลายก็เป็นธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเหมือนกันเมื่อฉานสี่ถูกปัจจัยปรุงแต่งฌานสี่ทั้งหลายก็ไม่เที่ยงเป็นต้นนั่นเองไม่เที่ยงนี่ไม่ใช่ว่าทำชานอะไรก็ยังไม่ได้เลยก็อบอกฉานก็ไม่เที่ยงมันไม่ต้องเจริญ ม, มนหรอใช่ไหม หมายความว่าเขาเจริญฌานเสร็จแล้วแล้วพิจารณาฌานโดยความเป็นเป็นธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแล้วค่อยพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเขาทําให้มีขึ้นก่อนแล้วค่อยพิจารณานี่ยนะส่วนต่อไปเมตตาเจโตวิมุติคํานี้เป็นชื่อของอะไรปฐมฌานจนถึงตาติยะฌานโดยจตุ ก, กนาฏ กรุณาเจโตวิมุตต์ก็เป็นชื่อของปฐมฌานถึงตัตยฌานมุทิตาเจโตวิมุตต์ก็เป็นชื่อของปฐมฌานถึงตัตยฌานส่วนอุเบคาเจโตวิมุตต์เป็นจตุทฌ า, านอย่างเดียวพฌานสี่เหล่านี้ที่เป็นไปกับอัปปมาญญาสี่ก็ควรพิจารณาควรเอามาพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นแม้แต่อรูปสมาบัติทั้งหลาย อากาสานัญญาตนะสมาบัติวิญญาณัญญาตนะสมาบัตอากิจัญญายตนาสมาบัติและเนวสัญญาณาสัญญายตนาสมาบัติพวกนี้ก็เป็นธรรมที่ควรเอามาพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นสรุปสรุปธรรมะทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยนะเมื่อกล่าวไปแล้วก็คือสิ่งที่เป็นธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นเท่านั้นเนี่ยนะก็มาจัดว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมี สังขารถ้ามามองให้เป็นไปนะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปจึงเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีพัสสะพัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะเป็นต้นที่จริงพิมพ์ผิดอยู่หน่อยหนึ่ง วิญญาณนำารูปสลายยตนาภาษะต้องเป็นต่อด้วยเวทนาไม่ใช่วิญญาณแค่นิดหนึ่งยอมอุ้ยอ่านมาตั้งนานเพิ่งผิดหน่อยเดียวอย่าไปคิดอะไรมากก็พวกนี้เป็นการเอาเหตุผลเหตุผลเหตุผลมาเชื่อมโยงทั้งตปิจาสมาบาทก็เป็นวิปัสสนาภูมิเหมือนกันนะใช่มเป็นภูมิที่ควรพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นเหมือนกัน ธรรมะเหล่านี้เนี่ยนะถ้าคคณอะไรนะโคณสัมมาสนะสี่สิบนี่จะดีนะนะถ้าใครจาําทรงจําได้ใช่ไหมอั น, นิี้จะโตทุกขโตโรขโตอะไรอนัตตโตสาระโตเป็นต้นเนี่ยนะไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นโรคเป็นดังหูสีถ้าามาพิจารณาตามนี้บ่อยๆก็ไม่เหงาไม่ต้องกลัวตกงานโรคเนี่ยนะมีอะไรที่จะต้องทําปริญญาอีกเยอะแยะไปหมดเลยปัญหาว่าทําไมไม่ค่อยว่างเลยเนี่ยนะ จะได้มีเวลาไปพิจารณาเยอะๆเนี่ยนะผมอยากจะเรียนถามหมดหมดที่เก่าอีกครั้งนะที่เรื่องเรื่องของอ mm ินทรีย์ยี่บสองนะอินทรีย์ยี่บสองนี่นะในอนัญญาธันจะสามีจินทรียีเลื่อยลงไปถึงอัญญาปาวินศีเนี่ยเป็นเป็นปัญญานะครับเป็นปัญญาก็าเป็นปัญญาที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งเหมือนกันถูกไหมครับเป็นยังเป็นสังขารธรรมอยู่ถูกไหมครับเจียมพัง เมื่อเป็นสังขารธรรมอยู่เนี่ยก็พิจารณาในลักษณะไตรลักก็ไดเ้เขาไม่ให้พิจารณาไม่ท่านไม่ส่งเสริมโดยประการทั้งปวงเพราะเป็นสิ่งที่มีอุปการะคุณมากเป็นสิ่งที่ที่เป็นธรรมที่เป็นโล ก, กุตระเป็นธรรมที่อ อ, อนัญญ า, าตัญญสามีตินทรีเนี่ยนะเป็นภาเวตประธรรมเนี่ยนะ เป็นธรรมที่ต้องเจริญอย่างเดียวส่วนอัญญีนี้เป็นภาเวตประธรรมสามเป็นสัตชิกาตาประธรรมสามคือคือสกทาคามีมัคอนาคามีมัคอรหัตมัคสามตัวนี้ต้องเจริญอย่างเดียวเนี่ยนะโสดาปฏิผลดสกทาคามีผลอนาคามีผลและอัญญ น, นอัญญาตาวินศีคืออรหัตผลเป็น สัจิกาตาปธรรมเป็นธรรมที่ต้องทำให้แจ้งตรงนี้ชื่อว่าปริญญาด้วยอำนาจปฏิลาภะคือทำให้ได้เฉพาะไม่ส่งเสริมไปที่ให้ท่านบอกว่าไม่ส่งเสริมให้พิจารณาโลกุตระธรรมโดยอนิจจนะั้ชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอนิจจงแต่ไม่ใช่อนิจจงที่เป็นธรรมที่เป็นยาตะปริญญาและตีรณะปริญญาแนะั้แล้วก็ไม่ต้องไปละอะไรเข้าด้วย เป็นธรรมที่ที่ต้องทําปริญญาด้วยการทําให้มีขึ้นแล้วก็ควรทําปริญญาให้ได้เข้าถึง น, นะควรทําปริญญาด้วยการเข้าถึง น, นะท่านจึงเน้นว่าปริญญาด้วยการได้เฉพาะคือปริญญาด้วยปฏิลาภคือทําให้ได้ทําให้มีทําให้เกิดขึ้น น, นะจึงไม่ไม่ใช่ว่าจริง น, นะอรหัตธรรมอรหัตผลของพระพุทธเจ้าก็ยังไม่เที่ยงเลยอย่างนี้เลยอย่างนี้นเขาจะไม่มีการพูดกัน มีแต่ว่าขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีสมบูรณ์ด้วยมรรคผลผู้มีอรหัตตมรรคผู้มีอรหัตตผลขอนอบน้อมในความเป็น้ารอหัรของพระองค์เขาไว้กราบเอาไว้าไวาเอาไว้บูชาเพิดทูนอย่างเดียว น, นโล ก, กุตระธรรมทั้งหมดไม่ใช่เป็นเป็นธรรมที่ควรมาพิจารณาโดยตีรณะปริญญาเขาไม่เรียกการพิจารณาสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นปริญญาแต่ใช้คาว่า เป็นอารมณ์ของปัจเจกขณะยานท่านพิจารณาเหมือนกันแต่ไม่เรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นยาตะปริญญาตีรณะปริญญาท่านใช้คําว่าปัจเจกขณะยานพิจารณามัคพิจารณาผลคือพิจารณามัคว่าที่เราบรรลุครั้งนี้ด้วยอริยมรรคเหล่านี้เราได้เข้าถึงสามมัญญผลเหล่านี้แล้วคือด้วยอํานาจของปัจเจกขณะยาน พเห็นคุณของโลกุตระพิจารณาเห็นคุณรู้คุณว่าคุณธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องนําออกจากกองทุกขเป็นคุณธรรมที่นําออกจากโลกแต่ไม่ใช่เป็นธรรมที่เอามาพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นเพราะรู้ว่าธรรมเหล่านี้เป็นอัปปามานธรรมเป็นธรรมที่อัปพาประมาณไม่ได้เป็นธรรมที่ที่มีคุณค่าสูงมากเป็นธรรมที่เอ่อเรียกว่าเป็นธรรมที่ควรบูชาอย่างเดียว เห็นไนะเป็นธรรมที่ควรบูชาเป็นธรรมที่ควรนอบน้อมเป็นธรรมที่ควรนับถือซึ่งเอามาตั้งเอาไว้ในบทธรรมคุว่าโอปะณียโกเนี่ยนะโอปะณียโกแปลว่าควรน้อมคุณธรรมเหล่านี้คืออัญญาตาวินซีเป็นต้นเนี่ยนะให้มีในจิตตะสันดานของตนเนี่ยนะควรน้อมให้มีในจิตของตนถ้าบรรลุระดับนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะยึดถือ ไม่ต้องกลัวเพราะว่าอารมณนาที่ปฏิสุดยอดของภาริยะทั้งหลายก็คือพระนิพพานเนี่ยนะจึงไม่ต้องกลัวว่าเดี๋ยวจะไปติดจิตที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์อีกครั้งหนึ่งไม่กลัวเพราะว่าอโลกุตระธรรมเหล่านี้เนี่ยนะไม่เป็นอาณอไม่เป็นสาสวธรรมหมายคาอว่าไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเนี่ยนะจะไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเลยท่านอุปมาว่าคุณธรรมเหล่านี้เนี่ยนะ ร้อนมากเหมือนเหล็กที่ร้อนระอุอยู่ทั้งวันมแมลงวันคือตันหาไปเกาะได้ไหมไม่ได้ฉันใดท่านโลกุตระธรรมเหล่านี้จึงไม่เป็นอารมณ์ของตันหาอุปาทานโดยประการทั้งปวงแต่ก็มีข้อสงสัยอยู่ว่าธรรมทั้งทุกหมวดเหล่านี้นี่นะครับทั้งอภินเยายยะและปรินเยายยะนี่เอท่านบอกว่าเป็นสุตตมยายายัน ก็เมื่อสุดตามัยญาณนี่นะฮะเราก็คงจะไม่มีพันิพาณเป็นอารมณ์จริงๆมาพิจารณาอยู่แล้วถูกไหมครับหรือว่าจะเอามัคคิจผลกิจมาพิจารณาโดยที่เป็นอารมณ์ประจักษ์จริงๆในมัคคิจผลกิจนั้นก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ในขั้นที่บอกว่าเป็นสุดตามัยญาณนี่ก็หมายความว่าพระโยคาวจรก็ยังยังสามารถที่จะทําปริญญาลักษณะคือถ้าอย่างนี้เขาก็ไม่เรียกทำปริญญานะเขาเรียกว่า สาวกผู้มีสุตตะเนี่ยนะอริยา ส, าสาวกผู้ผู้ได้สดับหรือผู้ที่เป็นพุทธคือสุตะพุทธผู้ที่รู้สิ่งเหล่านี้ด้วยการได้ยินได้ฟังเนี่ยนะพระองค์ก็ก็อนุมโมทนาว่าเป็นพวกพหุสัจจะแต่พหุสัจจนั้นจะดีหรือไม่อยู่ที่ว่าเอาไปทํากิจตามนั้นจริงหรือไม่อันนั้นก็เป็นอีกขั้นหนึ่งแล้เป็นอีกระดับหนึ่งเป็นอีกคุณธรรมอย่างหนึ่ง ซึ่งจะต้องเป็นหลังจากนี้ไปแล้วคื อ, อธรรมทิติยานสมาธิสีระมียาญาณสมาธิภาวนะภาวนามายาญาณธรรมทิติยานสามมานายานอุทยพย า, ยานเป็นต้นไปแต่ในเบื้องต้นมาทําความเข้าใจก่อนว่าอะไรเป็นอะไรก็เหมือนกับว่ามาฟังให้มันรู้ก่อนว่าอะไรเป็นอะไรว่าอะไรควรรู้ยิ่งอะไรควรกําหนดรู้อะไรควรละอะไรควรทําให้แจ้งอะไรควรเจริญ นะไม่เที่ยงยังไงเป็นทุกยังไงเป็นอนัตตายังไงมันเสื่อมยังไงมันตั้งอยู่ยังไงมันเจริญยิ่งขึ้นไปยังไงอะไรที่มันเป็นเหตุให้ชำระ ก, กิเลสได้ถ้าบรรลุบรรลุอะไรบรรลุวันนี้ทุกสมุทัยนิโรธมักเป็นต้นจะต้องมาฟังให้ให้เข้าใจก่อนว่าอะไรเป็นอะไรเพราะถ้าไม่เข้าใจแล้วมันก็เริ่มสับสนพอเจริญยิ่งพิจารามากๆก็ยิ่งสับสนพอยิ่งสับสนเข้าก็เกิดมักข้อหมายว่าอย่าไปคิดมากมันฟุ้งซ่านเระว่งังนั้นนะ เป็นข้อปฏิบัติสายใหม่ที่เพิ่งสอนกันไม่นานเนี่ยวัยยบเอาไปคิดมันปริยัตทั้งนั้นนะนะคิดมากแล้วฟุ้งซ่านที่นี่ไม่สอนปริยัติย่างั้นเอาปฏิบัติอย่างเดียวก็ว่าไปเพราะะเมื่อเรียนไม่เข้าใจให้เพียงพอก็เลยปฏิเสธสารณะเลยปฏิเสธสุตตะปฏิเสธอะไรทั้งหมดเลยเพรนผู้ที่สอนก็ไม่ตั้งตนเป็นศาสดาก็ทําตัวเยี่ยงศาสดาคือไม่ไม่ได้เป็นอ่านะก็ก็เสียหายว่างนั้นเถอะซึ่ง ไอ้ตรงนี้แหละโทษที่ไม่มีสุตตะพราะนั้นถามว่าในโลกนี้อะไรคือความเลวร้ายที่สุดเนี่ยนะอะไรคือต้นเหตุแห่งวตะอะไรคือการสร้างวตะเนี่ยนะหรือวัฏฏะการเกิดขึ้นของวัฏะเนี่ยเกิดได้อย่างไรพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับเนี่ยนะผู้ไม่เห็นธาตุยั้งผู้ไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่มีวินัยของ พระอริยะเนี่ยนะท่านผู้ที่อาการไม่ได้สดับเนี่ยท่านถือว่าเลวร้ายที่สุดเพราะอาวิชชาทั้งหลายมิจชาทิ่ติทั้งหลายเป็นต้นเกิดจากการไม่ได้สดับส่วนผู้ที่ได้วิวัตตะเป็นต้นท่านก็บอกว่าอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเป็นต้น <S <S ท่านผู้อื่นที่เว้นพระพุทธเจ้าวเว้นท้าปเจกกับพระพุทธเจ้าต้องอาศัยการสดับ คืออาศัยต้องต้องอาศัยสุตตมยญาณ